อนาปติวานพิสณีต่อไปนี้ไม่ต้องอาบัตคือ726 1. ภิกษณียังไม่ถูกสวดสมรพาส 2. งพิษณีผู้สละ 3. ภิกพิสีวิกลจริต 4. ภิพิสณีมีจิตฟุ้งซ่าน 5. ภิพิสณีกระสับกระสายเพราะเวทนา 6. กพิษณีต้นบัญญัติสังฆาทิเศษสีขาบทที่9จบ